ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่เดินทางไกล 361..... สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเดินทางไกลมีความยำเกรงจึงไม่อาบนา้ำจำวัด ท, ทั้งทั้งที่เนื้อตัวยังชุ่มเหงื่อชีวันก็ดีเสนาสนะก็ดีเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเราอนุ ญ, ญาตให้อาบน้ำได้ในสมัยที่เดินทางไกลแล้วจึงรับสั่งให้พิสษจทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้